เจ็ดการเจริญสติทำให้อนุสัยเหี่ยวแห้งไปเรื่อยๆวงเล็บเปิดห้ามกราคม2550นาจุดจุดนาทีหวงเล็บปิดอนุสัยเป็นการสะสมของกิเลสเอาไว้สันดานที่ไม่ดีเรียกว่าอนุสัยส่วนจริตเป็นเรื่องของความคุ้นเคยอย่างใจเราคุ้นเคยที่จะโมโ oh หก็เรียกว่ามีจริตขี้โมโ oh หมีโทสะจริต แต่มันจะมีโทสะจริตได้เนี่ยมันต้องมีสันดานขี้โมโหด้วยมีอนุสัยขี้โมโหด้วยฉะนั้นตัวอนุสัยจะเป็นตัวของกิเลสจริตเป็นตัวปรากฏขึ้นมาของกิเลสอนุสัยเป็นแค่กิเลสขั้นกลางๆเท่านั้นเองตัวสังโยชน์ละเอียดกว่าอนุสัยอีกที่พระอริยะละเนี่ยละสังโยชตสังโยชตเป็นกิเลสที่ผูกมัดเราไว้ในโลกผูกมัดสัตว์ไว้ในภพในการปฏิบัติธรรมเนี่ยพอกิเลสผุดขึ้นมาแล้วเรารู้ทัน กิเลสก็ดับไปทันทีที่เกิดสติก็ไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อละกกิเลสแต่แค่มีสติกิเลสก็ดับทีนี้พอกิเลสดับไปเราก็ไม่ทำตามความเคยชินเก่าๆที่กิเลสสอนให้ทาความเคยชินของเราก็ค่อยๆเปลี่ยนอนุสัยจะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างแต่เดิมเราด่าไวมากเลยใครมากระทบนะเราโมโหเราด่าเลยพอกิเลสเกิดขึ้นมาโทสะเกิดเราก็ด่า อนุสัยเนี่ยมันปรุงกิเลสหยาบขึ้นมาพอมันปรุงกิเลสหยาบขึ้นมาแล้วครอบงำใจเราได้เราก็ทำกรรมใหม่มันจะสะสมมนุสัยให้มากขึ้นหลวงพ่อยกตัวอย่างนะสมมติสาวๆคนหนึ่งบ่นไม่เป็นนะพอแต่งงานแล้วจะบ่นเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะต้องดูแลบ้านดูแลสามีดูแลลูกทีแรกก็อบรมสั่งสอนนะในที่สุดกลายเป็นยายแก่ขี้บน่นเนี่ยมันเคยชินมันเคยชินไปเรื่อยๆ ฉะนั้นถ้าหากอนุสัยมันทำงานขึ้นมาแล้วเราก็ตอบสนองกิเลสไปอนุสัยจะยิ่งตัวใหญ่ขึ้นแต่ถ้าอนุสัยปรุงกิเลสขึ้นมาแล้วเรามีสติรู้ทันปับ๊บกิเลส ด, ดับไปอนุสัยลงทุนแล้วขาดทุนมันจะค่อยๆ่ อ, อ, อไปเพราะฉะนั้นเราจเจริญสติเนี่ยอนุสัยจะค่อยๆเหี่ยวแห้งไปเรื่อยๆ